ผสมผสานกลมกลืนนะมีถ้าหากว่าเราทำแบบเคลื่อนไหวแต่ไม่เข้าใจสติปัะญาสูตรเหมือนกับเราเดินทางมีแผนที่ของเราเองแต่ว่าไม่ใช่แผนที่สากลหรือเราเดินทางตามสติปัะฐาสูตรล้วมีแผนที่สากลสากลแต่ว่าเราไม่รู้จักทางด้วยตัวเองมันก็จะไม่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 ทุกขโทความไม่สบายใจคือโทมานัตความไม่สบายกายคือทุกข์ทุกขโทมานัตเพราะนั้นถ้าเรามุ่งเอ า, าความไม่สบายใจอย่างเดียวเนะนี่ยไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายเนะี่ยจะไม่มีคําสองคำนี้ก็จะมีคําใดคําหนึ่งขึ้นมาอาจจะใช้คําว่าทุกขโขอาจจะคําว่าโทมนัสโสคำใดคําหนึ่งแต่นี่ท่นใช้ทั้งสองคำเลยถามว่าตัวทุกโทมานัตอย่างนี้วอนเนี่ยถือว่าเป็นทุกโทมนัตไหม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 เห็นหอันนี้คือการบูรณาใช้กำลังปรับใช้กำลังอย่างถูกต้องมีการปรับอินซีห้องตนตามแต่อันนี้เราถ้าเราไม่ชัดเจนในแง่สันปิบาฐานสูตรในการแก้ไขเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะนั่นเรียกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องในฐานะเป็นแบบเป็นนักพิสูจน์หรือนักวิทยาศาสตร์ทางนมามธรรม ดังนั่นเองในเรื่องที่แล้ ว, ลวมาเนี่ยมาไม่ค่อยชี้แจงแก้ไขให้กว้างขวางก็ถือว่าปฏิบัติอย่างเดียวเดี๋ยวก็เข้าใจเองแต่เอาไปอามามันไปคนละทิศละทางก็พราขาดการทำความเข้าใจแลงนั้นเองในช่วงภายในเจ็ดวันเนี่ยามาจะลองทำเรื่องนี้ดูเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีอุปรสรรคจะโดยละเอียดหรือไม่เนี่ยแล้วแต่สติปัญญาและความสามารถที่มีอยู่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 เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยถ้าหาว่าเราไม่เข้าใจรูปนามมาก่อนเราก็จะมาเข้าใจว่านิพพานคืออะไรนิพพานตามหลักก็คือสภาพที่จิตไร้การปรุงแต่งและไร้การเสียดแทงแปลว่าดับการปรุงแต่งก็ได้นิพพานแปลว่าดับเยือกเย็นจากการปรุงแต่งดับจากการปรุงแต่งไรสภาวะการปรุงแต่งเข้ามาเสียดแทงจิตแล้วจะทเรื่องนี้ให้ปรากฏ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 เดี๋ยวมันจะผิดหลักของคำว่ามัชิมาปฏิปทาดังนั้นเราจะเห็นว่าทํายังไงก็ได้ขอ่าให้ว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่ไม่ได้ทายังไงก็ได้แต่บางสานักกับสอนว่าโอ้ถ้าคุณเปลี่ยนบ่อยๆแสดงว่าคุณไม่มีความอดทนนี่นี่มันสอนผิดนี่จะไม่ว่าเขาผิดไม่ได้อีกเนี่ยนี่คือคือยุคสมัยของเรามันเป็นอย่างนี้